ษาให้มันสงบรักษาให้มันเห็นตามเป็นจริงไม่ได้เพราะขาดปัญญาถ้าผู้ที่เคยเห็นเคยเป็นสงบแบบนี้มันก็เสื่อมได้เวลามันเสื่อมเวลามันเจริญมันก็เจริญได้มันเกิดได้มันดับได้ที่เกิด ท, ที่ดับนี้มันมีมาแต่ไหนจะไร ในเชื่อว่ามันถึงมีแต่ตัวของเราที่เห็นที่รู้เถ่านั้นคนอื่นที่ท่านฝึกท่านอบรมมาก็เป็นก็เห็นเหมือนกันเมื่อเวลามันเป็นมันเห็นมันรู้ใครแบกหามหอบเขี่ยวมาให้เวลามันไม่เป็นไม่เห็นอย่างนั้นทายขโมยของเราไปมันจะได้พิจารณาในตัวของตัว อย่างจริงจังจนทราบทัดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมีการแตกพวนและแตกสลายเหมือนกันหมดไม่ว่ารูปไม่ว่านามมันเป็นอยู่อย่างนี้หาความเห็นชัดเจนจริงจังอย่างนั้นเมื่อเวลามันจเจริญขึ้นก็ไม่ตื่นเต้นไม่ยึดถือเมื่อเวลามัน เสื่อมลงมันไม่เป็นไม่เห็นไม่รู้อย่างนั้นก็ไม่เสียใจหน้าชี้ของเราเคยทําอย่างไรทําไปตามหน้าชี่นี่คือผู้ปฏิบัติไม่ได้เสียใจดีใจเพราะการเกิดการดับในสิ่งเหมนนั้นแต่ก็ตั้งหน้าปฏิบัติตามหน้าชี้ของตัวสิ่งที่ชั่วที่เสียต่างๆ ที่มันจะมาลบกวนจิตใจให้เดือดร้อนวุ่นวายนั้นพยายามปัดเป่ามันออกไปไม่ได้เอามาเผาตัวเองส่ร้อนจึงได้เชื่อผู้มีปัญญาละสิ่งที่ชั่วผู้ภาวนามีสติมีปัญญารักษาตัวรักษาใจ จะต้องทราบในตัวของตัวแต่ก่อนเห็นได้ยินไม่ว่าข้างนอกข้างในใจมันตื่นเต้นเมื่อประพฤติปฏิบัติปัญญาสติก้าขึ้นมามันเป็นอย่างไรสิ่งเหล่านั้นเมื่อกระทบเขา้าเรายังหลงไหลยังจิบคล้องอยู่หรือมันจะต้องทราบในตัวของตัว นี่คือการภาวนาผู้ภาวนาจะต้องสอนตัวของตัวอย่างนั้นไม่ตื่นเต้นเดือดร้อนเพราะความเจริญหรือความเสื่อมขอ ง, งใจหน้าที่ปฏิบัติปฏิบัติเรื่อยไปมันยังสัมผัสกับอะไรที่เราสงสัยก่านํำมาที่นี้พิจรารณา การปฏิบัติจึงเป็นของสำคัญใช้ประพฤติปฏิบัติตามอัตธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนตัวเองก็มีความสุขความสงบ ท, งทั้งทั้งจีโรคไข้ไข้เจ็บเกิดตายมันมีเหมือนกันกับคนที่ไม่ปฏิบัติแต่ก็ไม่หลงไหลไฝ่ฝันติดข้องในสิ่งที่เกิดและดับไปนั้นเพราะสติปัญญาทัน คนอย่างนั้นจะอยู่ในกลุ่มใดสังคมใดที่ใดไม่ทำกายทำใจของตัวให้เป็นพิดเป็นภัยแก่สังคมนั้นทั้งตัวของท่านเองก็มีความสงบเมื่อตัวของตัวสงบมันก็ไม่ไปกระทบกับสัตว์อื่นคนอื่นอยู่สถ า, านที่ใด ก็มีคนเหลื่อมใสสยัทธาอยู่สถาน ท, ที่ใดก็มีคนเคารพยินดีมีคนไหวใจเชื่อใจอยู่ให้มีผู้เชื่อใจไหวาวางใจไปให้มีคนคิดถึงนี่คือคนมีธรรมะอยู่สถาน ท, ที่ใดไม่เป็นภัยอันตราย นีไปจากสถานที่ใดคนที่เขาเคยเกี่ยวข้องเขาจะต้องคิดถึงเพราะอยู่ทําแต่ประโยชน์ในทําโทษทํากรรมแก่คนอื่นเขาเหมือนพระพุทธไชยเจ้าหรือสาวกที่พระพุติปฏิบัติท่านเป็นอย่างนั้นไม่เป็นภยัยแก่สัตว์แก่มนุษย์ จึงว่าสุขะโตอยู่ก็มีความสุขทั้งท่านเองก็มีความสุขคนที่มาเกี่ยวข้องก็มีความสุขไปก็สุขะโตไปดีอยู่ก็ดีถึง่านปรินิพานไปตัง2000ป้งสองพันกว่าปีเราก็ยังระ ล, ลึกนึกถึงกราบว่านี่คือคนดีตายไปนานขนาดนั้นก็ยังมีผู้สรรเสริญ มีผูเหลื่อมใสผ่าคนชั่วหละเทวทัตระยะเดียวกันกับพระพุทธเจ้าตายไปนานก่อนพระพุทธเจ้กาวกว่าลิพานก็อีกเพราะขวาบักเทวทัตผิดเทวทัตเท่านั้นมันกโกรธสัง เพราะคนไม่ดีนะั้นมันมีทาทสาสนาแต่ตัวเองเป็นอย่างไรไม่เคยตรวจตาจิตอยู่มันลหลงไหลไฝ่ฝันยึดนั้นยึดนี้ทำชั่วทำเสียปูดชั่วปูดเสียคิดชั่วคิดเสียอยู่ต่างๆไม่ใช่เทวทัศน์หรือมันทำร้ายพุทธศาสนาเทวทัศ แบ่งแยกยุแย่ให้สงแตกจากกันทำร้ายโลหิตตุบะพระพุทธเจ้ามนีกรรมของเขาที่ลดไปตกนรกเอเวจีเพราะเขาทำไม่ดีอย่างนั้นใจของพวกเราท่านที่มันคิดผิดชั่วเสียต่างๆก็คือเทวทั เหมือนกันคำสอนพระพุทธเ จ, จ้าสอนเอาไว้จิตใจรู้จิตใจเห็นเป็นบางการบางเวลาสิ่งเน่นี้พิจารณาแต่ถูกเทวทัตแยกออกไปจิตชั่วไปเสียพูดชั่วไปเสียทำชั่วไปเสียของชั่วไม่ว่าสมัยพุทธกาลหรือสมัยปัจจุบันหรืออนาคตยังไม่มาถึง <c oughs> มันก็ชั่วอยู่อย่างนั้นชั่วจะกลับมาเป็นดีไม่มีดีจะกลับไปเป็นชั่วมันก็ไม่มีอีกเหมือนกันแต่นั้นพวกเราท่านที่ประพฤษษษษษษติปฏิบัติต้องการดีมีความสุขก็ต้องประกอบเหตุคือความดีเอาไว้เราทำดีด้วยกายด้วยวาจาตลอดทึงคิดดีด้วยใจ เรามีความสุขมีความสบายคิดไปทางกายทางวายจามันก็ไม่มีขอ้อใดที่จะควรตําหนิตัวเองแต่ทําทไมไปทําไปพูดอย่างนั้นคิดเห็นความบริสุทธิ์ที่ผ่านมาทางกายทางวายจามันไม่เดือดร้อนเพราะมีมมอะไรที่เป็นพิดเป็นภัยเผาใจของตัว ถาไปทาชั่วทาเสียเอาไว้พูดชั่วพูดเสียเอาไว้ยังคิดขึ้นทางใจมันกดตาหนิตัวได้เกิดโทษเกิดทุกข์ได้เพราะสัญญาความหมายของใจเป็นเรื่องตัวการใหญ่ในใชเล่นคนเราโดยส่วนใหญ่ก็หลงเรื่องของสัญญา เป็นที่เป็นภัยสำคัญเรื่องอดีตที่ผ่านมาหลายเรื่องรักเรื่องชอบหรอกทาทช้างสีผ่านมาระยะนานปีไปคิดเข้ามันก็ลุ่มหลงมัวเมาถ้าหาไปคิดในเรื่องชั่วเรื่องเสียเขาดุเ้าด่าเขารักเขาขโมยอย่างนั้นอย่างนี้พวกเราไปท้าท้างสีสิ่งเหล่านั้น ผ่านไประยะยาวนานเป็นสิบสิบปีมันก็โกรธขึ้ น, น, ม, นมันเป็นอย่างนั้นเรื่องสัญญามันไปหมายมัน่ญญนยึดถือทําให้จิตใจหลงไห ล, รหลเรื่องของโลกเป็นอย่างนั้นเรื่องของธรรมก็ทํานองเดียวกันฉะนั้ น, นเรื่องสัญญ า, าสัญญา่งสอเป็นอนิจจะ เป็นอนาาัตตาคือบังคับบัญชาไม่ได้เป็นขันธ์อันหนึ่งแต่จะต้องรู้ต้องเข้าใจโดยปัญญาผู้เพื่อปฏิบัติจะต้องทราบจะต้องเข้าใจนี่คือสัญญามันผ่านมาแล้วคิดไปทางดีมันก็ดีมาแล้วคิดไปทางชั่วมันก็ชั่วมาแล้ว แก้ไขอะไรมันอีกแก้ไขปัจจุบันเท่านั้นตัดเรื่องปัจจุบันเท่านั้นอดีตอน า, าคตมันก็หมดไปเองถ้าไมปราบเรื่องปัจจุบันมันก็กเกาะเกี่ยวเรื่อยไปทั้งอดีตอนาคต ก, การพิจาจรณาการปฏิบัติธรรมจรึงแก้ปัจจุบัน ดูปัจจุบันไหวจิตของพวกเราท่านมันอยู่ในขอบเขตของธรรมหรือไม่หรือมันเป็นไปในทางกิเลสตัณหาตรวจ ด, ดูพิจารณาดูให้รู้ให้ขอใจอะไรที่มันมาก่อควรจิตใจทำให้ใจยุ่งเหยิงวุ่น ว, า ย, วายเดือดร้อนทั้งทั้งที่กาย ไม่มีโรคภัยอะไรแต่ก็ยุ่งอยู่ในใจกุ้งอยู่ในใจเดืออร้อนอยู่ในใจสอบสืบ ด, ดูพิจารณาดูเพราะธรรมะเป็นโอปนญ ย, ยิโกน้อมดูน้อมเข้ามาพิจรารณาภายในแต่คนดูภายในพิจรารณาภายในไม่ส่งใจออกไปสู่ข้างนอก ใต่เห็นเห้รู้ความนึกคิดสังขารจิตเปิ่ขึ้นในตัวของตัวอยู่สม่ำเสมอคนนั้นจะทันต่อเหตุการณ์มันคิดชั่วก็จะดับมันได้พอคิดไปให้โทษให้ทุกข์มันคิดค ด, ดีตัวจะรักษามันได้ ว่าอันนี้เป็นทางสี่ควรคิดคิดไปเกิดสติเกิดปัญญาเกิดธรรมะเกิดละเกิดถอนความยึดถือต่างๆปฏิบัติธรรมต้องปฏิบัติในตัวไม่ได้ไปปฏิบัติที่อื่น <c oughs> ถทำให้ปฏิบัติในตัวแล้ว ไม่มีทางปจิบัติถานที่จะสงบสงัดขนาดไหนใจที่ไม่สงบใจที่มีกิเลสมันไปได้ทุกผลทุกแห่งรวดเร็วอยู่คนเดียวก็เหมือนมีพรรคพวกเพื่อนผูงเป็นพันเป็นหมื่เพราะอารมณ์ทั้นยาอาดีต ท, ที่ผ่านมา อนาคตยังไม่ถึงมันปุ่งไปคิดไปโวกมันกว้างขนาดไหนมันไปทั่วหมดถ้ามันมีตนมีตัวเหมือนเรื่องของกายมันโดนกันตายนับไม่ถ้วนแต่ละวีดแต่ละวันเพราะจิตใจของพวกเรานั้นมันคิดออกข้างนอก มันไม่มีสติรักษาปัญญาแน่สอนตัวของมันมันไปอยู่อย่างนั้นมันจึงไม่สงบสงัดให้พอมันออกไปทางนอกอยู่เรื่อยไปอยู่ในที่สงบไม่มีรวมเสียงอะไรมารบกวนแต่ใจมันก็มีสัญญา ที่เป็นอดีตอนาคตมารบกวนเรื่องของมันปัจจุบันมันไม่อยู่ <c oughs> มีีใจทางออกนอกเลยไปใจมันจึงไหมเยนอาจเห็นทำให้ฉะนั้นผู้ปฏิบัติ <c oughs> จึงดูภายในคือรักษาใจของตัวด้วยสติทีนี้พิจารณาให้จิตใจของตัวอยู่ในขอบเขตของธรรมะ ท่้สังวรรักษาด้วยสติด้วยปัญญาของตัวอยู่อย่างนั้นจิตใจที่เคยยุ่งเกี่ยวกับสัญญาอารมณ์ต่างๆจะน้อยไปตกไปพอใจมีสติรู้ปัญญาสอน้าไมม ระวังเรื่องของใจจะไปอยู่ในถ้าในเขาใกล้ขนาดไหนก็ไปเถอะมันไม่มีอะไรที่จะดีวิเศษทิ้งใหถ้าหากระวังเรื่องของใจตัวเองอารมณ์ส่วนใดที่เป็นทิดเป็นภยัยทําจิตทําใจให้เดือดร้อนวุ่นวายจีบปล่อยวางออกไป อารมณส่วนใดที่เป็นอาจเป็นธรรมควรประพฤติปฏิบัติควรพินิจพิจนานำเรื่องนั้นนั้นพินิจพิจนาอยู่เรื่อยไฟจริงที่มันเคยสงสัยต่างตงมันก็ตกออกไปมันตกออกไปก็ทราบจากใจของเราฝา น, นั้นมันตกออกไปหมดออกไปแล้วยังเหลืออะไรอีกพิจันาเรื่อยไปจนมันหลุด ล่วงจากเรื่องของสมมุติบริสุทธิ์ไม่มีอะไรเกีย่ยวพนอีกสิ่งที่ละไม่มีสิ่งที่จะบำเพ็ญไม่มีพอละบำเพ็ญมันเป็นเรื่องสมมุดสื่งสมาธิปัญญาธรรมมัชคือหนทางความบริสุทธิ์ไม่ใช่มัช คือศีนสมาธิปัญญาสิ่งทีละที่บำเพ็ญไม่มีสำหรับความบริสุทธิ์นั้นจะทราบจากตัวของตัวเองว่าจิตนี้ไม่มีทางที่จะเกิดอีกแต่ปัจจุบันมันอยู่กับอะไรก็ทราบ ความยากที่จะเป็นอาหารหันต์อาหารหันต์อยากจะไปนิพพานมันก็ไม่มีเพราะเหตุใดเท่าความเห็นความเป็นของตัวนั้นมันบริสุทธิ์บริสุทธิ์อย่างไรผู้บวชเพื่อปฏิบัติจะทราบด้วยใจของตัวเองถ้ายังมีอยากอยู่คือยังไม่อิม่มมันจึงอยากถ้ามันอิ่มแล้วมันไม่อยาก เห็นแล้วมันไม่หาจะไปหาอะไรอีกเพราะเห็นอยู่แล้วคําบริสุทธิ์มันจะทราบจากตัวของตัวเองในการขอพฤทธปฏิบัติเมื่อเห็นเมื่อเป็นอย่างนี้มันก็ไม่มีปัญหาอะไรต่พระพุทธให้เจ้าท่านบริสุทธิ์นั้นท่านบริสุทธิ์อย่างไรข้อใจของตัวบริสุทธิ์อย่างไรพระพุทธให้เจ้าก็บริสุทธิ์อย่างนั้น แต่จีว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตคือเห็นความบริสุทธิ์ของใจที่เพื่อพื่อปฏิบัติสืบเนื่องมาจากเสียงจากสมาธิจากปัญญากต่ทาบําเพ็ญเรื่อยมาเฉื่อมก็เห็นเจริญก็เห็นอยากก็เห็นละเอียดก็เห็นเรื่อยมาจนถึงความบริสุทธิ์เป็นอย่างไร ก็คอยใจอีกมันจึงหมดปัญหาผู้ที่หมดปัญหาในตัวแล้วมันก็มีมีปัญหาแก่คนอื่นอีกถึงคนอื่นจะเป็นปัญหาแต่ท่านไม่เป็นปัญหากับคนอื่นเขาเหมือนเพชรเหมือนทลอยที่เจริญในแล้วจะไปทิ่งคว่างไปที่ไหนมันก็เป็นเพชรเป็นพลอยอยู่นะั้นจะให้มันเป็นหินเป็นกวาดเป็นทรายไปอีกมันเป็นไปไม่ได้ พอเจอในในออกแล้วน้นำมันที่เรากัแเราเขี่ยวจับกระที่มาพา้าเขี่ยวจนหน้ามันเป็นไอระเหยไปหมดแล้วเหลือแต่น้ามันไปเทลงใส่ในโอ่งในหายในถาใ น, ในบอกมันก็ไปเข้ากันจำนำธาร้ลอยหน้าอยู่เสมอไปมันเลยไปผไปสมกันอีก ถึงมันอยู่ก็อยู่เดียวนแต่ก็อยู่คนละส่วนอยู่คนละอันนี่จิตใจของพวกเราท่านเหมือนถึงความบริสุทธิ์เราก็จะทราบอย่างนั้นจึงไม่มีอะไรที่จะสงสัยว่าจะบำเพ็ญอะไรอีกจะละอะไรอีกขอให้ตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติเรื่องเหล่านี้จะเป็นสันทิฏิโก้คือเห็นเองไม่มี คนอื่นมาบอกมันจะเห็นเป็นปัจจิตังเฉพาะตัวอยากจะพูดหรือไม่พูดมันก็ไม่มีอะไรที่จะเสียหายความจริงเป็นอย่างไรไประจักอยู่ในใจของท่านตลอดเวลาผู้ประพฤติปฏิบัติตัวถึงที่สุดอย่างนี้ไม่มีภัยมีเวียนแก่ตัวเองไปอยู่สถานที่ใดจะมีภัยมีเวียนจะเป็นอันตรายแก่ศาตร์แก่บุคคล ว่าทันบริสุทธิ์อยู่สถานที่ใดก็เป็นสิริมงคลสำหรับสถานที่นั้นอยู่ก็มีผู้ศรัทธาเหลื่อมใสไปก็มีผู้ละลึกถึงนี่คือการประพฤติปฏิบัติตามธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนในเหมือนพวกเรา โดยส่วนใหญ่ตำแหนนิดินฟ้าอากาศตำแหนนิพักพวกเปลือยฟูง้งตำแหนนิที่อยู่ที่อาศัยในแบบปตําหนนิจิเลตในใจของตัวเองโดยไปกล่าที่มันไม่คันมันเลยไปหายฮห้ผัวจี้บัตดจะต้องวกเข้ามาชาระใจของตัวใจเท่านั้นแหละที่มันเป็นตัวการ ทำใ ห, ให้ทุกข์ให้ทุกข์ให้ดีให้ชั่วถ้าปฏิบัตินอกไปจากนี้เรื่องจีเลตไม่มีทางที่จะตกจะหลน่นอยู่ปราสาทสว่างไสตัวขนาดไหนใจมันเป็นทุกข์แล้วก็อย่าไปคิดว่ามันจะทุกข์ให้ใจร้อนจะไปอยู่ในห้องแอร์อแข็งมา รอบตัวอยู่มันก็ไม่เย็นให้ใจเย็นใจสุขใจสบายอยู่ร่มไม้ทรายเขาก็เย็นก่สนุกก็สบายอยู่นั้นใจจึงเป็นเหลืองสำคัญที่ผวกเราควรชินิธิเจนาควรรักษาควรปฏิบัติความสุขความทุกข์มันเกิดขึ้นจากนี้สาเหตุของมันท้านชินิธิเจนาศึกษา <c oughs> อย่าไปคิดว่าสวรรค์อยู่ที่อื่นนิพพานอยู่ที่อื่นมันอยู่ในตัวของเราเนี่ดีชั่วสวรรค์นิพพานพรหมโลกนรกอเวจีมันมีอยู่นี้ถ้าคนดูนี้พิจารณานี้แก้ไขนี้คนนั้นจะมีทางดีทางสุขให้ หากคนใดไปตามนี้เรื่องอื่นข้างนอกคนนั้นมนทันกับเรื่องกิเลสตัณหาเรื่อยไปจะเกิดทุกข์เจ็บจิตใจใจของตัวอยู่เรื่อยเพราะไหมเราที่มันคันมันไม่หายจึงตั้งใจต่อเพื่อปฏิบัติ <c oughs> โอกาสเวลาที่เราจะทำได้ก็ในเมืเม่อเรามี ชีวิตเป็นอยู่ทถานั้นตายไปแล้วไม่ว่าถ้าราว่าไม่ว่านักบวชมันก็ไม่มีทางที่จะทำดีอะไรได้เหมือนยังไม่ตายยังรีบเล่งควันขายแต่ทำบำเพ็ญถีนกว่าให้รักษาตามสติปัญญาของตัว ตามเพดของตัวสมาธิทมหนักแน่นของใจพยายามจะทำให้หนักแน่นพยายามทำความสงบให้ได้ปัญญาทมรอบรู้เรื่องของสร้างขานก็ควรจะพิพจนารณาให้รอบรู้ว่าสร้างขานคืออะไร รู้เรื่องของสังขารถวดถึงได้มันก็ปล่อยวางได้ในจิตข้องในสังขานความหลงที่เคยหลงมามันก็หายไปไม่มีอะไรที่จะมายั่วยุจิตใจให้วันไว้ให้เดือดร้อนเพราะรู้เข้าใจแน่นอนทุกอย่างในว่ารูปว่านาง อยู่ตามเป็นจริงแล้วมันกมบทปัญหานี่มันไม่เป็นอย่างนั้นมันจึงมีการละการบาเพ็ญกันเหมือนคนที่มีโรคจำเป็นจะต้องหายามารักษาถ้าคนไม่มีโรคยาก็ไม่จำเป็นอะไรธรรมะของผู้ทจเจ้าก็ทํานองเดียวกันเราจะ นำมาพิณิพเนามาศึกษามาปฏิบัติเสมอจิตใจของเรายังโง่จิตใจของเรายังมีกิเลสอยู่จึงจำเป็นที่จะส่องบังคับบัญชาให้พิณิพเจนาให้เห็นวิชั่วพัดเย็นในจิตในใจถ้เราไม่พิเจรนาแนะนำมารักษาในเหมือนเวลาที่เรามีโรคไัย มันโกเมก็จะไปรักษาตอนไหนที่เดชเรามีอยู่ในใจเราก็ต้องหาธรรมะมาแก้ไขเพื่อให้ใจมันสงบเพื่อให้ใจมันรู้ธรรมะของพระพุทธเจ้า <c oughs> เป็นโอปณะเยโกคือน้อมเข้ามาภายในอย่าไม่มีการมีสมัยเหยียบอาซาลิโก ไมว่าสมัยพุทธกาลหรือสมัยปัจจุบันคนที่ต่างหน้าต่างตาเราพึ่งปฏิบัติรักษาคนนั้นจะเป็นฝันคิดคิกโก้คือเห็นเองจากการการทาบําเพ็ญของตัวธรรมะไม่ขึ้นกับการกับเวลาเป็นอาาการนีโกอยู่อย่างนั้นใครเราพึ่งปฏิบัติก็จะเห็น อันนี้สูงของธรรมะหมาจำเช็นแก่กาแก่ใจขนาดไหนปฏิบัติถึงความบริสุทธิ์แล้วมีความสุขประเสริฐวิเศษขนาดไหนจะเขา้ขาใจในตัวของตัวเองไม่ได้เชื่อตามตำหลับตำราหรือลมปากของครูบาอาจารย์ คามสว่างสวัยในจิตในใจจะทราบมันมีอะไรปิดบั ง, งเราถั่วไฟมันไม่เป็นอย่างนั้นเพราะความเมืดบอดของใจใจเขาตอนในเสินชมเชยแบบคนนั้นเก่งอย่างนั้นคนนั้นดีอย่างนี้ก็ล้มลายะคุกเลื่อยไฟ ใจว่าดีวะวิเศษดีกว่าของท่านชั่วขอ ง, ของท่านจะไปสนใจนอกให้สนใจในเราจะดีได้อย่างไรควรกระทำจะกำจัดความชั่วเสียดาอย่างไรควรทำในตัวของตัวคนอื่นก็เป็นเศรษฐี สมบัติของเขามีก็เป็นสมบัติของเขาเราจนอยู่อย่างไรเราก็จนอยู่อย่างนั้นจะแก้จนให้รวยขึ้นไปทำอย่างไรความขยันมั่นเพียรเอาใจใส่ในการงานมันไม่ทอดถอยในการแต่ทำธุระหน้าที่ที่จะเกิดคร้าเกิดสมบัติ มันก็เกิดขึ้นได้พะเราทำเราขยันแสวงหานีเรื่องธรรมะก็ทานองเดียวกันแต่เราหมั่นพิริศพิจนาหมั่นศึกษาหมั่นตรวจตาหมั่นบ่มเพนไม่ปล่อยการเวลาให้เป็นหมัน่นอุาพยายามพิริศพิจนา กายใจอยู่เสมอไปอ่ะมันอยู่ไม่ได้ครับพราะสติปัญญาเป็นตะปะมันเผากิเลส